ภิกษุเดินไปด้วยตั้งใจว่าเราจะฟังภิกษุเหล่านั้นแล้วจักโจทดตักเตือนว่ากล่าวตำหนิให้สำนึกหรือทำให้เก้อเขินต้องอบัตทุกฎยืนในที่ที่จะได้ยินต้องอบัตปาจิตตีภิกษุเดินอยู่ข้างหลังรีบเดินให้ทันด้วยตั้งใจว่าจะฟังต้องอบัตทุกฎยืนอยู่ในที่ที่จะได้ยินต้องอบัตปาจิตตีภิกษุเดินไปข้างหน้ากลับเดินให้ช้าลงด้วยตั้งใจว่าจะฟังต้องอบัตทุกฎ ยืนอยู่ในที่ที่จะได้ยินต้องอวัตตาจิตตีเมื่อภิกษุอื่นปรึกษากันเดินผ่านมาอย่างที่ที่ภิกษุยืนที่ที่ภิกษุนั่งหรือที่ที่ภิกษุนอนต้องแ g r a มให้รู้ตัวถ้าไม่แ g r a มหรือไม่ให้เขารู้ตัวต้องอวัตตาจิตตีคําว่าประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นความว่าไม่มีเหตุผลอื่นที่จะยืนแอบฟัง